t a e c u r n t y a r is 2000. แผนดินไทยนึกถึงยามไดใจสุดจะซึ้งถ้าวันนั้นยังตราตรึงในห้วงทันหนึ่งฟังครึ่งซึ่งในหรือไทยวันแห่งการรวมน้ำใจวันแห่งการผสานไทยเชื่อมสายใยไทยทั้งแผ่น Oh, t y o ในพิธีและกลุ่มผู้ว่ากอธร ตั้งแต่ก่อ สันติหลวงทั้งสวดธาตุสวดชายในคนทั้งกวงสวดมาสมัยมาเ ส, สื่อมดวงสวดอันเชิญเทพทั้งกวงสวงสวรรค์ผู้ชั้นป อดฟันตวักีสวดรัตนสูตรนี้เพื่อการอยู่ดีของบ้านเมืองหลวงตาหมอกทอง รัศมีบารมีธรรมของท่านหลวงตามหาบัวได้แผ่ปกลรมไปทั่วมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและแพร่กระจายขยายเป็นวงกว้างออกไปทั่วประเทศโดยทีวีช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ได้ถ่ายทอดงานนั้นให้มหาสาธุชนได้รับชมอย่างทั่วถึงและก่อนหน้างานนี้เพียงสามวันคือวันที่17เมษายนพศ2544ณ ส, 44, นสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสายสามกรุงเทพมหานคร หลวงตาได้เทศสอนญาติโยมในวันนั้นตอนหนึ่งมีว่าวันที่21เมษายน2544นี้จะเป็นวันประวัติศาสตร์แห่งชาติไทยของเราและท่านได้เน้นคำว่าวันที่21เมษายนนี้อยู่เสมอจากคำเทศในหลายๆการของท่านทำให้คณะทำงานบูชาคุณแผ่นดินได้ให้ความสาคัญในวันนี้เป็นอย่างยิ่งเมื่อได้สืบค้นหาประวัติศาสตร์ของชาติอย่างเอาจริง ก็ถึงกับพากันนิ่งงานและอัศจรรย์ยิ่งนักที่ได้ประจักษ์ในความสำคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่21เมษายนถึง3วาระด้วยกันดังต่อไปนี้ความสำคัญในวาระที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทรงโปรดกล้าวให้มีพระรา ช, ชพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นเป็นปฐมณนะวันที่21เมษายนพศ2325ความสาคัญในวาระที่สอง หลังจากราชการที่หนึ่งทรงสถาปนาให้กรุงเทพมหาคนครเป็นเมืองหลวงใหม่แล้วจึงได้เริ่มสร้างวัดพระแก้วเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตและได้มีการต่อเติมเสริมแต่งกันเรื่อยมาเป็นวางครั้งบางคราแต่ก็ยังค้างคาไม่เสร็จโดยสมบูรณ์จนกระทั่งตกมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หได้เสเวยสิริราชสมบัติจึงทรงเร่งรัด ให้สร้างวัดพระแก้วให้แล้วเสร็จทันวันฉลองพระนครครบร้อยปีเมื่อวันที่21เมษา ย, ยนพศ2445ความสำคัญในวาระที่สางานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบสองอปีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9สเสด็จมาทรงประกอบพิธีบวงสรวงหลักเมืองและเทพ ร, รัชในวันที่21เมษา ย, ยนพศ2525และเป็นที่น่าอศัศจรรย์ใจว่า วงชนชาวไทยได้พร้อมใจกันถวายพระนามแด่พระมหากษัตริย์ทั้ง3พรัชกาลว่ามหาราชและผู้ที่ออกมาประกาศํำว่าวันที่21เมษายน2544นี้จะเป็นวันประวัติศาสตร์ของชาติเรานั้นท่านคือหลวงตามหาบัวยานสัมปโนเมื่อได้ใครครวญทบทวนประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราอันยาวนานที่มาพ้องต้อง ก, กันกับงานบูชาคุณแผ่นดินไทยในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจนัก